รู้กลอุบายของกิเลสประเภทต่างๆที่เป็นเครื่องต่อต้านภายในใจิตใจอเรากําลังประกอบความภาคยันอยู่ให้ล้มเหลวไปล้มเหลวไปนี่ถ้าช้าก็ต้องช้าที่ตรงนี้เป็นสาคัญอากาศที่ว่าเราหนาเราบางด้วยกิเลสนั้นยาด่วนไปอุตริอย่าด่วนไปรู้ก่อนพระพุทธเจ้า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 แล้วปัญญาทําไมจะไม่ส่องสว่างทั่วถึงในัวใจนี้ซึ่งมีความ ร, รู้อยู่ภายในตัวเองนี้ใหญ่ยืดเล็กก็ดูเอารู้อยู่ภายในตัวเรารู้อยู่รอบตัวจะว่าใหญ่ขนาดไหนจะว่าเล็กขนาดไหนเมื่อสติปัญญานาํามาใช้เพื่อความรู้รอบตัวแล้วก็มีทางที่จะรู้จะเห็นถ้าเข็นขค่ากิเลสให้บรรลัยไปจากใจได้เช่นเดียวกับครั้งผู้จักการท่าน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 สอนเน้นหนักลงที่ใจของสัตว์โลกนี่เองตอนนี้เป็นตัวทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรเกินหัวใจเราเราท่านท่นและสัตว์ทั้งหลายมีกี่ดวงวิ ญ, ญญาณเป็นกองทุกข์ไปหมดทุกดวงวิ ญ, ญญาณไม่มีดวงวิ ญ, ญญาณใดที่จะเป็นอิสระทั้งทั้งที่เกลียดยังฝังจมอยู่ภายในตัวเองนั้นนอกจากใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านซึ่ง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 กิเลสไม่มีเหลือแล้วภายในใจเป็นความบริสุทธิ์พุโทโธโดยแท้และการชมก็การตาหนิก็ไม่ได้ทรงตำหนิอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้เห็นโทษสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าการตำหนิยิ่งกว่าการเห็นโทษของกิเลสซึ่งบีบบังคับอยู่ภายในใจของพระองค์เองหรือในพระทัยของพระองค์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 เป็นหนึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของเราบรรลุธรรมถึงแดยนยมุตตุพ้นเป็นศ า, าสดาขึ้นมาถ้าไม่สองถ้าไม่ได้บรรลุธรม ร, ร, รมหรือตรัส ร, รู้ธรร ม, มตามความมุ่งหมายนี้แล้วสถานที่นี้ต้องเป็นที่ตายของเราเท่านั้นไม่มีความเป็นอื่นที่จะเคลื่อนข้าดโยกย้ายไปไหนอีกไม่มีแล้วนั่นนี่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดี สำหรับเราผู้ปฏิบัติที่จะทําความเจัดเดี่ยวในขณะที่ควรจะจริงจะจังจะเ ด, ดจดเดียวจะควรเอาหลักอันนี้มาเป็นคติเครื่องสอนใจเราสมนามกับว่ า, าศาสด า, สาศาสดาเป็นเครื่องสอนโลกเป็นผู้สอนโลกคติทุกอย่างได้มาจากพระเจ้าไม่มีบิดนี่พระองค์ทรงดําเนินมาอย่างนี้นั่นเด็ดหมพระพุทธ เ, เจ้าของเรา